วันนี้ท่านทั้งหลายได้มาเยี่ยมมัตตบันตะทางโอกาสที่เหมาะสมให้มาเยี่ยมผู้ป่วยที่คุณเพาด้วยคุณเพาอปารักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ได้รักษามาเต็มพลังความสามารถจากนั้นก็มารักษาที่นี่ พพูดมาถึงตรงนี้ก็เหมือนกับว่าวัดป่ามันตานีเป็นโรงพยาบาลกรระหมายถึงเรื่องธรรมโอกสคือมาเพื่ออบรมจิตใจที่เรียกว่าภาวนาและฟังคำอบรมของพระท่านสแสดงและรักษาจิตใจ อยู่เป็นประจําในยาบททั้ง 4. สี่ส่ญนยาก็ทานไปส่วนจิตก็เดียกวกับทานไปอีกเหมือนกันทานธรรมะเข้าไปาได้ยินในฟังจากครูอาจารย์ท่านสอนบ้างอบรมตนอยู่โดยเฉพาะที่เรียกว่าจิตตะภาวนาบ้างมีเรียกว่ารักษาจิตด้วยธรรม กายเรามีการรักษากันแต่จิตใจไม่ค่อยมีการรักษาเพราะฉะนั้นแม้ความสุขกายสบายใจของนอยยังพองมีอยู่บ้างแต่ความสุขทางด้านจิตใจไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ไม่มีแต่ส่วนย่อยมีส่วนกายนี้แม้จะมองเห็นด้วยตาเนื้อว่าเป็นสิ่งที่ใหต่โตพอทั้งปวนจิตไม่มองเห็นก็ตาม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 เงินหนามันคงนิยทนทานอยู่มากในการกระทบกระเทือนสิ่งต่างๆที่ต้องเข้าไปสัมผัสภายในจิตใจทั้งนั้นไม่ว่าจะมาทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายที่สูบเนื่องมาจากรูเสียงกลงิ่นรสเร่งสัมผัสจะต้องไหลรวมลงสู่ใจเช่นเดียวกับน้ำทรายต่างๆไหลรวมลงในมหาสมุทรทะเลนั่นแหละส่วนมากก็มีแต่ของขปกปกไหลรวมลงไปสู่จิตใจ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 อยู่ภายในตัวเองแล้วแม้จะระ บ, บายออกทางกายทางวาจาก็ถูกต้องโดยเหตุโดยผลทําการกระทําอะไรไม่ค่อยผิดคลาดใจก็มีความสุขกายก็เป็นปกติของกายอากว่าจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ข, ขึ้นบ้างก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายกระเทือนเข้าไปถึงใจจนกลายเป็นโรคชนี้นหนึ่งขึ้นมาการอบรมธรรมะเข้าสู่จิตใจจึงเป็นความจําเป็นอย่างยิ่ง ท่านสอนไว้แบบพระพุทธศาสนาะพุทธะก็แปลว่าผู้รู้ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งเห็นจริงพระเสดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าที่เป็นเจ้าของศาสนากา ต, ต่อมาแต่ละประโยคแต่ละคำนี้ร่วนแร่ตั้งแต่เป็นสิ่งที่ชอบโดยความจรินทั้งนั้นไม่มีผิดพลาดคาเคื่อนเหมือนอย่างสามัญชนทั้งหลายพูดกัน ธรรมดาสามัญชนเราพูดกันนี่พูดไม่มีเหตุมีไม่ค่อยมีเหตุมีผลไม่มีขอบเขตกว้างแคบลึกเกินอยากละเอียดว่ากันไปแล้วแต่น้ำลายจะพังฟุ้งไปได้หมดวันนั่งคำกว่าเป็นไนได้แต่หาประโยชน์ไม่ค่อยได้แล้วความสนใจที่จะใคล้ควรตามคําพูดคาําจาทั้งของเขาท้องเราเพื่อเอาผลประโยชน์ม า, าพูดปฏิบัติให้เป็นความสุขสบายทำด้านจิตใจและหน้าที่การงานไม่ค่อยมี เพราะเหตุไรเพราะคําพูดเหล่านั้นไม่ค่อยจะเป็นสาระเท่าที่ควรจะนํามาพิิจพิจารณาถือวอาเป็นประโยชน์แต่คําพูดของพระพุทธเจ้านั้นออกมาจากความสัตย์ความจริงคือออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ล้นล้วนซึ่งเป็นธรรมทั้งดวงภายในพระไตยเมื่อแสดงออกมาแก่สัตว์โลกก็แสดงออกมาด้วยความเมตตาอย่างยิ่งโยมเมตตาอย่างถึงใจการสั่งสอนสารโลกไม่ใช่เป็น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 เพื่อให้เข้าถึงจิตใจของประชาชนและสัตว์ทัท่วไปในเรับความสุขความสบายเห็นได้จึงต้องเจียวแจกเจียวแจงเจียวแนะนําสั่งสอนก็เพราะว่าสัตว์โลกมันโง่สิ่งที่ตายเห็นอยู่ก็ผิดหูได้ยินอยู่ก็ผิดอะไรอะไรที่สัมผัสตั้มพันมาคอยติดคิดไปเรื่องเป็นความผิดทั้งนั้นเนื่องจากความโง่เขาอยู่ภายในจิตใจพาให้ผิดสิ่งที่เห็นอยู่รู้อยู่ก็ผิดไปได้ด้วยเจ้าท่าน ทรงเห็นเหตุเห็นผลของสัตว์โลกเป็นอย่างนี้ดังนั้นนำพระโอวาทที่ถูกต้องมีงามมาสั่งสอนที่เรียกว่าศาสนาและศาสนานั้นท่านสอนเพื่อใครนอกจากเพื่อเราเท่านั้นพระองค์เองก็เป็นผู้บริสกบุดถึงมีมุตพรนิพพานแล้วตั้งแต่วันตรัสรู้ที่แรกคอยมีความจําเป็นอะไรที่จะต้องเจียวหาแบ่งสรรตันส่วนออกจากบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายจากการสั่งสอนอบรมไม่มี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 ก็สมมติสมหมายเวลาได้รับพระโอาวาทเป็นที่พอใจจากพระพุทธเจ้าแล้วขอบออกมาบรรเทนเพี ย, เพยรเมตตาได้บรุธรรมในคืนวั น, นั้นเป็นพระอราหันต์องค์สุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงส่งสอนตั้งแต่เริ่มแรกมาจนกระทั่งวันปริพานมีพระสุภทพปริพาชกเป็นพระสาวกอรหันต์องค์สุดท้ายนั่นถ้าพูดถึงเรื่องความเมตตาไม่มีลลลนะ แม้จะสุดขณะที่จะไปริพังก็ยังต้องประทานพระโอวาทที่เรียบประยอดคําสอนว่าหนาดานในพิคเวอามันตยามีววพิคเวขยัตธรมาวิยธรรมาสร้างข้า ร, าระอัปมาเดนะสัมปาเดธาดูก่อนพิสูจนทั้งหลายตอนนั้นรู้สึกจะมีแต่พิสูจนทั้งนั้นท่านจึงว่าพิคอยอันนี้เราเตือนเธอทั้งหลาย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 กิญญาณ์จันใจทานเนสัญญาณสัญญาชนะอจินจญาชนะเนสัญญานสัญญาชนะเป็นรูปฌานสี่แล้วก็ก้าวเข้าศูนย์นิโรธชนมาบัตที่เรียกว่าสัญญาเวทายตานิโรธนัะ่ะไปดับเวทนาสัญญาเวทนาอยู่ที่นั่นแล้วถอยกลับออกมาเรื่อย ๆ, ๆจนกระทั่งถึงปฐมฌานแล้วเข้าสู่ปฐมฌานอีกพอก้าวผ่านรูปฌานสี่ คือจะถูกจานแล้วไม่ไ ม, ไม่เสด็จฌานไหนต่อไปอีกประนิพพานในขณะนั้นเป็นอันว่าหมดภาระในการสั่งสอนชาติโลกภาระของพระพุทธเจ้าได้สิ้นสุดลงในขณะที่ทรงทําหน้าที่ประนิพพานตั้งแต่วันตรัสลู่มาจนกระทั่งถึงวันทําหน้าที่จะพรินิพพานในวาระสุดท้านั้นพระองค์ไม่ทรงว่างเลยท่านจึงเรียกว่าพุทธกิจห้านี่พูดถึงเรื่องภาระของพระพุทธเจ้า มากมายเพียงไหลพุทธกิจห้าคืออะไรชาันเทศธรรมเทศนังตอนบ่ายสามโมงสี่โมงก็แสดงทำให้แก่ประชาชนนี่ทาช า, าหัาสัตว์เป็นต้นป ะ, ปะปะอะไรปาโดเซ่พิกุโอวาดังตอนค่ำตอนสองทุ่มสามทุ่มก็ประธานอุวาแจ่พระสงฆ์อัตราเตเทเวปัญหากลงปัญหากลง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 นอย่างภาษาของเราว่าจะตายไปอย่างง่ายง่ายจะต้องเสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนนี่แล้วเหล่านี้เป็นภานะทางนั้นการพิจารณาเรียนยานดูสัตว์โรกก็คือพุทธกิจพุทธกิจ ก, ก็หมายถึงงานของพระพุทธเจ้าอาจเซปินาปาตันจะพาตอนชากับเสด็จบุนธมมาเสวยนี่เป็นประจำอยู่อย่างนั้นพูดถึงตร่องภาระ ใครจะในโลกนี้จะมีพานะมากเหมือนอย่างพระพุทธเจา้าราบถึงสามโลกธาตุเราจะประกอบความภาคเพียรหรือทําหน้าที่การงานทางเล็กไน้อยเท่า น, นั้นก็เป็ถือว่าเป็นความลำบากลำบนยิ่งจะภาวนาเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อจะนําความสุขเข้าสู่จิตใจให้มีความสงบเย็นใจบ้างก็ถือว่าเป็นของยากของลำบากไปเสียมีน้ำซํามาต้นอำนาจวัฒนาน้อยไม่สมควรจะทําทั้งหลายเนี่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 งานเงันจะสายแสบไปช่อารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นของที่เคยเป็นไปแล้วก่อความทุกข์ให้ตนได้รับความเดืดอดร้อนอยู่เสม อ, อจึงสอนให้ภาวนาเช่นผู้ที่จะภาวนาพุทธโธหรือธรร ม, มหรือสังโขหรือจะกําหนดอนาปานสติโดยตามด้วยพุทธโธเช่นพูดเข้าโทออกอย่างนี้ก็ได้ทั้งนั้นตามจดลนิสัยที่ชอบในธรรมบทใ ด, ดแต่การกําหนดนั้นให้มีความรู้สึกอยู่ภายในจิตใจของตนโดยเฉพาะเช่นกําหนด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 หายไปหมดในความรู้สึกนี่เราะความละเอียดมากละเอียดจนถึงขนาดว่าลมได้หายไปแล้วในขณะ น, นี้ไม่มีเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆอย่างนั้นก็มีนี่ เ, นเรื่องของการภาวนาในขนาดนั้นจิตจะมีความสงบมากสงบจนเป็นที่อัศจรรย์ถ้าลมลมดับไปไม่มีอะไรเหลือเลยกายก็ดับไปพร้อมกันคือดับในความรู้สึกไม่ใช่ว่ากายนี่ดับหายไปไหน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 ขึ้นจากการภาวนาหรือเรียกว่าเป็นผลของการภาวนาก็ได้ผู้กำหนดพุดโทโธก็มีทำเนาะก็มีลักษณะเดียวกันแต่กำหนดพุดโทโธโดยไม่เกี่ยวข้องกับลมก็ให้มีมีความรู้สึกกี่ยกับคําว่าพุโทโธพุโทโธโดยลาหนักไม่ต้องไปคาดไปหมายถึงผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างมีคนมาหลอกว่าเวลาภาวนาเดี๋ยวเกิดนิมิตอย่างนั้นมานิมิตอย่างนี้มายกเป็นบ้านะนี่ คนพุทธิเขาพูดอย่างนั้นก็มีแต่ส่วนมากคนที่พูดอย่างนั้นไม่เคยภาวนามาพูดเปล่าๆแบบนั้นหลอกคนคนก็พอที่จะเชื่ออยู่แล้วเพราะมันคนในลักษณะเดียวกันแั้วก็เชื่อกันง่ายๆ <Hey. S 1> ถ้าว่ามีหลักมีเตียนอยู่ภายในตัวเองมีเหตุมีผลอยู่ภายในตัวเองซึ่งเคยกระทำในการภาวนามาแล้วจะไม่เชื่อคำพูดเช่นนั้นเพราะเหตุใดพระพุทธเจา้าสอนตัดโลกไม่ได้สอนสัจโลกให้เป็นบ้าน hey. พระพุทธเจ้ที่เป็นศาสดาก็ไม่ใช่ศาสดาม้ามาสอนสลโลกสอนเพื่อเป็นม้าได้อยังไงผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อ ป, ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านทรงสอนไว้โดยถูกต้องแล้วจะเป็นม้าไปได้อ ย, อย่างไรเป็นไปไม่ได้เหตุที่จะเป็นบ้านั้นมันเป็นได้เพราะความแยกจากธรรมคือผิดจากหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เช่นกำหนดภาวนาพุทโธพุทโธพ่ อ, อกิจทงไปรู้เห็นอะไรก็ผิดก็เพลินไปํามล้นเสียลุจจนกระทั่งลืมคําบริกรรมมุขตนนี้มีทางผิดได้นี่และคนที่ว่าเป็นม้าถึงบ่อเพราะผิดจากหลักของการภาวนา ขีจาร์หลักของศาสนาแล้วก็เอาศาสนาไปมีติโทษหรือติดเตียนว่าภาวนาทําให้คนเป็นบ้านี่เป็นอย่างนั้นหรืเมื่อเรากําหนดยอยู่เช่นนี้ไม่มีอะไรกาหนดคำว่าพุโทโธพุโทโธก็ให้มันรู้อยู่กับใจของเรานี้ไม่ต้องคิดวาดภาพเห็นสวรรค์เป็นอย่างนี้นิพพานเป็นอย่างนั้นหรือเทบวดาเป็นอย่างนี้อินพรมโยมยักษเป็นอย่างนั้นนั่นดังที่เราเรียนมาในแบบเห็นในแบบนั่นท่านเห็นด้วยความจริงด้วยด้วยญาณของท่าน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 แล้วปรากฏว่าลมนี้หายไปเลยเหลือแต่ความรู้นวนๆนี่จะเกิดความนิตกขึ้นมาภายในจิตซึ่งเป็นเครื่องหลอกตนอีกเหมือนกันจึงได้แก้ภรมงนี้ไว้เพื่อให้ได้เข้าใจเมื่อปรากฏว่าลมได้หายไปในความรู้สึกแล้วมันจะเกิดความนิตกขึ้นมาว่าเมื่อลมหายไปนี่จะไม่ตายเลย้หรอนั่นนี่หละหลอกไปรายฉะนั้นก็เรียกว่ากลัวตาย เมื่อบิตกขึ้นมานี้ลมก็ปรากฏขึ้นมาเสียเลยได้เพียงขั้นนี้ไม่เตลิดละเอียดยิ่งไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นเพื่อตัดปัญหาข้อนี้เมื่อลมได้ปรากฏว่าหายไปในขณะที่เราพอนานนั้นก็ให้ทำความรู้สึกกับตนว่าลมจะหายไปก็ตามไม่หายไปก็ตามเมื่อจิตยังครองล่างอยู่แล้วจะไม่ตายเป็นขณะที่เราหลับลมหายไปหายเราเหนตาําหนักกฎเกนมันเราไปยังไม่ตายนี่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 นี่ท่านเรียกว่าเป็นเอกขาตาจิตถ้าจิตไม่คิดเกี่ยวข้องาอามรมณ์อะไรเลยเหลือแต่ความรู้อันเดียวท่านเรียกว่าเอกคตาแปลว่าถึงความเป็นหนึง่งหนึ่งก็คือหนึ่งความรู้นั้นเท่านั้นไม่มีสองกับอารมณ์ไม่มีสองกับคำมริกรรมภาวนาใดๆทั้งหมดเพราะในขณะนั้นได้ปล่อยวางโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ความรู้ที่ทรงตัวอยู่โดยลําพังเท่านั้นท่านเรียกว่าเอกขาตาจิตมีการภาวนาเป็นอย่างนีง้ยังผู้ปฏิบัติให้พให้ประจักษ์ภายนจิตใจโดยลําดับ ถ้าลงได้ทําตามหลักธรรมวิญญาณแล้วไม่ไปไหนต้องเข้าสู่ความจริงคือผลที่จะบึงได้รับจะต้องได้รับตามเหตุที่เราดําเนินถูกต้องแต่ที่นี้จิตของเรามีความสุขมากน้อยเพียงไรพอจิตปรากฏเริ่มปรากฏความสงบขึ้นมานั้นเราจะได้สรุปจิตใจของเราทันทีว่าอ้อความสุขเป็นอย่างนี้เพราะความสุขภายจิตไม่ได้เหมือนความสุขอื่นใดที่เคยผ่านมาเป็นความสุขที่แปลกประหลาดท่านอาจารย์ยิ่งกว่าความสุขใดทั้งหมดในโลกนี้เพราะฉะนั้นสัตว์นาจึงมีมาประจําตลอด ทุกวันนี้ไม่งั้นศาสนาถูนหายตนานแล้วเพราะรสชาติของศาสนานั้นสู้รสชาติของโลกไม่ได้คุณทุงรสที่ยอมก็สู้โลกไม่ได้ความแปลกประหลาดอัศจรรย์ใดๆสานะสําคัญก็สู้โลกไม่ได้นี่ศาสนาล้มไปนานแล้วไม่มีใครสนใจแต่นี้เพราะศาสนาเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าโลกใดๆทั้งหมดในบรรดาสาโลกนี้เพียงแต่จิตสงบเท่านั้นเราก็เห็นความแปลกของเงาแล้วภายใน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 ทำความสงบใจหรือทําความเพียรทางด้านจิตใจไม่ต้องถามเมื่อจิตมีความพอใจแล้วมันเสาะแสวงหาได้เองทีเดียวนี่คือขั้นหนึ่งของการภาวนาวิธีการภาวนาเป็นอย่างนี้เมื่เราพูดถึงขั้นภาวนาเพื่อความสงบทีนี้ขั้นของปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาแท้ดังที่เราพูดกันนั้นเป็นคําพูดติดปากว่าไปทํำวิปัสสนาคําว่าวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งด้วยการพิจนารณา โดยทางปัญญาแต่เมื่อพูดรวมๆแล้วเรียวกว่าภาวนานี่ครอบทั้งสมถนามิปัสตนาแต่เราจะพูดว่าวิธามิปัตตนาก็เข้าใจกันว่าทำภาวนานั่นแหละขันวิปัตตนาจริงๆก็คือการพินิจพิจารณาเมื่อจิตมีความสงบร่มเย็นแล้วจิตย่อมมีอุบายต่างๆไม่เมื่อเราพาคิดพาพิจารณา แ, แยกแยกถักขันเรื่องอนิจจังทุกขอังอนัตตาเราเคยได้อ่านแต่ตำหลักตำหลัก อานิจังอยู่ที่ไหนทุกขังอที่ไหนเห็นแต่คนนั้นแก่เห็นแต่คนนี้ตายเห็นแต่คนนั้นพักผักสลายจากการตัวของเราก็คือตัวพักผากตัวอานิจังทุกขังต่างเหมือนกันโอปัญยโกรนน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราแก่มาทุกวันทุกวันตั้งแต่วันตกคลอดออกมาแก่ขึ้นมาเรื่อยๆแก่มาเดิมดับแปรสภาพมาเรื่อยๆนี่งเดียวอานิจังความทุกข์ติดแน่มาตั้งแต่วันเกิดขณะที่ตกคลอดออกมานั้นสลบสลายตัวเ็มของเด็กนั้นไม่รู้ตัวเลยความทุกข์เบือประมาณบางลายก็ตายใช่ตั้งแต่อยู่ในท้องตกคลอดออกมาตายก็มีเพราะททนุกไไม่หว เรื่องความทุกข์มันติดเนี่มันตั้งแต่นโน้นจนมาทั้งบัดนี้เรายังจะสงสัยเรื่องอันนี้กาทุกข์อนัตตาที่ไหนไปอีกกองอัอ น, นี้การทุกข์อนัตตาอยู่กับตัวเราอย่างสมบูรณ์อยู่แล้วอันนี้การทุกความแปรสภาพแปรทุกขณะแม้แต่เวลานี้นั่งอยู่สักคู่เดียวมันก็เหนื่อยแล้วนั่นมันแปรแล้วธาตุขันแปรเป็นอย่างหนึ่งเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วอ น, นัตตาเราจะถืออสาระแก่นสารอะไรในธาตุในขั น, น, นอันนี้มันก็มีแต่กองดินน้ำลมไฟที่ประชุมกันอยู่แห่งธาตุเท่านั้นท่านเรียกว่าา ขันก็เรียกว่าขันห้าคือรูปได้จะร่างกายทั้งเหล่านี้เป็นขันหมายถึงกองเป็นหมหรือหมวดเนี่ยเวทนาคือความสุขความทุกข์เฉยๆนี่ถ้าเป็นเป็นหมวดหนึ่งหรือเป็นกองกันหนึ่งสัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความคิดความปรงุงเนี่ยวิญญาณความรับทราบทั้งห้านี้ท่านเรียกว่าขันห้าในขันห้านี้มั น, ม, นมันมีสาระอะไรอยู่ภายในตัวของมันพอจะยึดจะถือว่าสิ่งนี้เป็นเรามีหมายถึงเรื่องวิปัสสนาและที่นจะแยกใหาความจริง ียกให้เห็นความจริงที่มีอยู่ในตัวของเราแต่เราโง่ไม่สามารถที่จะมองเห็นความจริงนี้ได้จึงถือนั่นเป็เราอันนี้เป็นเราเพราะอะไรมีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างเกิดความเสีย อ, อกเสียใจกลายเป็นโรคจิตขึ้นมาภายในภายในตัวเองโรคจิตคือโรควุ่นวายโรคทุกข์โรคร้อนนั่นเองหมายถึงว่าโรคจิตจนกระทั่งถึงเป็นบ้านันมันหนักมากเกินไปมันก็เป็นบ้าไม่มีสติเมื่อเราพิจารณาแยกแยะด้วยปัญญาของเรานี้เราจะเห็นอุบายของปัญญามีความสามารถ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 โดยลำหนับจนกระทั่งสามารถแยกจิตกับกิเลสอ า, ศ า, ศาสวะซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตนั้นได้ออกโดยไม่มีอะไรเหลือภายใจิตนั่นแหละท่านเรียกว่าพุโทโธแท้ผลของการปฏิบัติจิตตภาวนาเมื่อถึงขั้นสุดท้ายแล้วได้แก่เป็นพุโทโธแท้เช่นเดียวกับพุโทโธอรพุทธเจ้าแต่ไ่หมายถึงพุโทโธความพระพุทธเจ้าโองคงนั้นแท้แต่หมายถึงพุทโธของเราที่เทียบเทียงกันได้ความบริสุทธิ์นิสเสมอกันกับพระพุทธเจ้าแต่พุทธวิาสัยกับ สาวกอวิสัยนี้ผิดกันความสามารถอ่านรู้ด้วยการแนะนําสั่งสอนความเเลียวฉลาดนี้พระเจ้าต้องสมภูมิพระองค์ท่านแต่พวกเราก็เต็มตามภูมิของเราสําหรับความบริสุทธิ์นั้นเสมอกันทันหว่านนับผิดเส้ยเยา ว, วปาไปโยกนับตั้งแต่สาวกองค์ตั้งแต่พระเจ้าลงมาจนกระทั่งถึงสาวกองค์สุดท้ายบรรดาบรรดาที่เป็นพระหรันแนวความบริสุทธิ์เสมอกันไม่มียิ่งหย่อนต่างกันเลยนี่เหมือนกันตรงนี้ นี่แหละคือผลที่เกิดขึ้นจากทำจิตด้วยการภาวนาทำไปโดยลําดับดัๆแก้เกลไปโดยลำดับจนกรทั่งแก้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วเหลือความบริสุดเ์ื่องล้วนนั่นแลผู้ทรงความสุขอย่างยอดเยี่ยมไม่มีอันใดที่จะเหนือกว่าความสุขประเภทนี้ท่านเรียกว่าโรกุตาลธรรมอันสูงสุดที่คือทำเหนือโลกเหนือโลกคือเหนือธาตุเหนือขันเหนือจิ่งใดทั้งหมดไม่มีนาที่จะยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธ์นี้นี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการภาวนา ชาติ ธ, าธ ร, รมท่านสอนท่านมีเหตุมีผลคือดําเนินไปเช่นนั้นเช่นนั้นตามหลักท่านสอนไว้และผลก็ต้องปรากฏขึ้นตามตามอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ <S <s <uck ling> เหตุมีอยู่ผลต้องมีผู้ปฏิบัติถูกต้องดีงานตามหลักธรรมท่านสอนผลจะไม่รับอย่างไรคําว่าธรรมก็คือสว่วนขาดธรรมตัดได้ชอบแล้วไม่ใช่โมฆะธรรมผู้ปฏิบัติทําไมจะไม่ได้รับผ ล, ม, ผลมักผลนิพพานคี่ว่ามันศูนย์ศนย์ศูย์ไปไหนมันศูนจากบุคคลผู้ไปสนใจต่ อ, อการปฏิบัตินั่นแหละแม้แต่ข้างพุทธการก็มักผลนิพพานไม่มีสำหรับบุคคล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 และมัชฌิมาสมายัยทุกวันนี้กับมัชฌิมาตั้งแต่ทั้งพุทธการมีต่างกันอย่างไรไม่มีอะไรต่างกันที่เดสก็ประเภทเดียวกันมัชฌิมาเครื่องแก้กิเลสก็ประเภทเดียวกันเมื่อเรานำเอาเพื่อปฏิบัติกรรมจากกิเลส ท, ทําไมกิเลสจะไม่หลุดลอยก็ได้ด้วยอํานาจแหงการปฏิบททัติธรรมที่ถูกต้องนิยามตามหลักมัชฌิมานั้นเล่าก็ต้องได้เหมือนกันเมื่อสะดวกความลงแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีสําหรับผู้ไว้ปฏิบัติเท่านั้นแต่มีสําหรับผู้ปฏิบัติมีมากมีน้อยตามกําลังของความปฏิบัติของตนมีอยู่ตรงนี้เรียกว่าสวคาธรรมับบไชอ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 เพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสนั้นเรื่องธรรมต้องพูดคงไปคงมาพูดตามเหตุตามผลพูดตามความสัจความจริงผู้ปฏิบัติปฏิบัติตามความสัจควจิงทําไมจะไม่รู้ความจริงแล้วต้องรู้นี่เรื่องใหญ่ก็อยู่ที่ตรงนี้นั่นในอวสารอย่างการแสดงธรรมนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้นําปรพิมิตพิจารณาหาว่าธรรมที่แสดงปณิมนี้หนักเบามากน้อยเปลียนอะไรปฏิเสธอย่งหู้ะได้ใจของท่านทั้งหลายก็ขออภัยด้วยเพราะธรรมนี้เป็นธรรมป่าของแม่คงจะเป็นประโยชน์แต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายไม่มากก็น้อย เอาละเพียงเท่านี้